มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานวมะวคอนุมาณปัญหาที่8เรื่องเปรียบหิมะวันตะบันพศกับธรรมะบันพศพระนาคเซนจึงถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารหิมาวาปพัพตราชาอันว่าพระยาเขาหิมาผานั้นประกอบด้วยระเบียบแห่งเงื้อมเขายอดเขาแล้วไปด้วยศิลาย่อมสถิตยอยู่ในประเทศชื่ออจชปาปัธาสังกุกปทะาอาละปะัธาและปัตตะปะัะาเป็นที่อยู่แห่งข้เชนทรฉัตรทันประกอบด้วยไม้และเครือละดาอันปกคลุม เป็นสมถุมต้นพฤกษาประดับด้วยโตรกตรอ ก, รอกซอกทานเหวท่าฝูงคนทันนิกรกินนอนวิชาทอนสัญจรเที่ยวเล่นสำราญอันหนึ่งเขาหิมะผานนั้นเป็นที่อยู่แห่งสุบันครุดนาคอสูรกุมพันและยักษ์ทั้งหลายเหล่าอสรพิษร้ายก็อาศัยอยู่ประกอบด้วยโอสถยาสารพัดจะมีแวดล้อมด้วยยอดเคียรีทั้งหลายคือตรีกูด คือไกรลาดกูดคือสุมนากูดจิตตะกูดคือยุคนทอนกูดแลดูขึ้นไปนั้นสูงดุจเมฆอันเป็นชั้นชั้นและยอดเขาหิมะผา น, นั้นแลดูมีสีดุจเมฆเมื่อวันแรมถ้ามิฉนั้นดุจทาด้วยดอกอันชันอันมีสีเขียวดูเป็นสีครามสีม่วงสีหมนทั้งหลายบ้างก็คล้ายเหมือนสีในกายแห่งหน้าคราดอันเขียวดำ ถ้ามิฉะนั้นดูเหมือนพยับแดดเดือนห้ามนุษย์ทั้งหลายเห็นยอดเขานั้นแต่ไกลก็เข้าใจด้วยอนุมานปัญญาว่านั้นเป็นยอดแห่งพระยาเขาหิมะพานเขาหิมพานบรรพดนี้มีอยู่ความเปรียบประการนี้ยะถามีครุวนาชันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมบรรพดภูเขา คือธรรมะของสมเด็จพระบรมโล ก, กนาาศาสดาจารย์เจ้านั้นก็เหมือนกันอันว่าธรรมะบรรพจนนั้นอเนกัตชาณธรรมะพละอารัมมะวินทโทพัวพันไปด้วยอารมณ์คือฌานและธรรมและผลเป็นอนเนกสุญญตาอานิมิตะอปนิหิตากูตตบปภาระมาลโยประดับไปด้วยยอดและเงื้อม กล่าวคือสุญญตะและอนิมิตะและอัปนิหิตะวิโมธรรมกัตถิกาวิเนยะธระสุตตันติกะอภิธรรมมิกาติภโลมีทางขึ้นกล่าวคือท่านผู้มีปัญญาเป็นธรรมกถึกและท่านผู้ทรงพระสูตรทรงพระวินัยทรงพระอภิธรรมอรหัตตะกุศลนิเกโตเป็นที่สถิตอาศัยอยู่แห่งท่านผู้ได้พระอรหัต เป็นที่เที่ยวไปแห่งท่านผู้ปฏิบัติเพื่อมรักผลและท่านผู้ได้มรักผลเป็นเสขะบุคคลและภะละสมังคีบุคคลและท่านผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลและท่านผู้ทรงลูกะจีวรและถือปินดาปาดิกะทุดงและเป็นอปิฉามากน้อยและเป็นทุดงขะสมาทานย่อมสุขสาราญซ่องเสพสถิตอยู่เป็นอเนกาอันว่าพระธรรมบัรพพสนี้ ย่อมเป็นที่อยู่แห่งท่านผู้ได้ไตรวิชาและอภิญญาหกและท่านผู้ได้พระปฏิสัมพิธาและท่านผู้ได้จดตุเวสารัชชและท่านผู้สาเร็จในบารมีญาณและธรรมะบรรพจน์นันใสย่อมอาเกียนไปด้วยอะคาถาคือยาอันดับเสียซึ่งพิษร้ายและอาเกียนไปด้วยโอสดทั้งหลายอันจะดับโรคทั้งปวงและรักษาอายุให้จริญ ประกอบไปด้วยจัน์คือศีลยาคือสมถะกริสนาคือปัญญากลิ่นคือสันโดษอันบริสุทธิ์อันหนึ่งเขาธรรมะบัรพจน์นั้นมีเขาทั้งหลายเป็นบริวารคือพระสติปัฏฐานทั้งสี่พระสมบัตฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภะละห้าโพชงทั้งเจ็ดประการและพระอัฏฐังคิกมรตมียอดอันสูงนัก สุดที่อันตรายจะล้างผลาญได้กล่าวคือพระนิพพานอันดับเสียซึ่งความอยากและกระวนกระวายทอนเสียซึ่งความอาลายัยให้สิ้นไปซึ่งความยินดีคือราคะให้สิ้นไปซึ่งโทสะโมหะตันหามีสภาวะเย็นเป็นสุขคือไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้ตายอันว่าธรรมะบัรพจนี้สูงปรากฏจะครอบงําเสียซึ่งปรับประวาด คือคำที่กล่าวว่าองค์พระพุทธเจ้าไม่มีอันว่าธรรมบัรพศอันสูงนี้เป็นที่ไหว้ที่บูชาแห่งมนุษย์นิกรเทวดาทั้งหลายเหตุดังนี้อาตมาภาพจริงรู้ด้วยอนุมานปัญญาจึงเชื่อว่าพักวาอารหังสัมมาสัมพุทโธสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงพระนามว่าพักวาทรงพระนามว่าอาระหัง ส่งพระนามว่าสัมมาสัมพุโทโธมีจริงไม่สงสัยขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารในที่นี้พระคันธารั จ, จนาจารประพันคาถาแสดงข้อความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนามาแล้วในเบื้องต้นมีใจความว่าภูเขาหิมพานอัจจุขตะบันพศสูงปรากฏตรงานตา ผู้คนได้เห็นแต่ไกลก็อนุมานเข้าใจว่าเขาหิมพานั้นมีอยู่ยะถาความเปรียบนี้มีครุวนาชันใดพระธรรมบัรพโพธของพระบรมไตรยโล ก, กนาถเป็นของเย็นปราศจากิเลสมิรู้สะเทือนสถานหวั่นไหวตั้งอยู่ได้เป็นอันดีบัณฑิตผู้มีปัญญาได้เห็นแจ้งแก่ใจก็อนุมาณได้ว่า อโคพุโทโภพวิสติสมเด็จพระมหาหมุนีพุทธเจ้าผู้จอมป ร, ราดประเสริฐเลิศกว่าสัพพสัต์ทั้งหลายมีอยู่เป็นแม่นมั่นตถาเอวะมีอุปมาฉันนั้นแหละสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาในภายนอกพระพุทธศาสนา ก็มีศาสดาคณาจารย์ทั้งหลายแสดงโลกสมุดและธรรมะคีรีได้ถมไปด้วยเหตุนี้จึงยากที่จะให้โยมเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าจงกระทำอุปมาอุปหมายให้ยิ่งไปกว่านี้จะได้เป็นที่เชื่อถือต่อไปเรื่องเปรียบเทียบจตุทีประกามหาเมฆกับธรรมเมฆพระนาคเสนจึงอุปมาอุปหมายว่า มหาราชะขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภารยังมีมหาเมฆอันชื่อว่าจตุทีปากะมหาเมฆเมื่อจะตั้งขึ้นให้ฝนตกนั้นมีนิมิตบังเกิดเป็นสำคัญคือเบื้องบนอากาศนั้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนห้อ ย, ย้อยดุดซ้อยสังวานมีดอกไม้สวรรค์บัรดาตกลงมามีมหาวาตาค่อยพัดมาเรื่อเรื่อเย็นเฉยชื่นสบาย มนุษย์นิกรทั้งหลายก็สโมสรยินดีอันหนึ่งมีเสียงอึงมีด้วยหัตถีโปโดกอัสโปโดกทั้งสองร้องโกลจนาฏสกุลชาติก็มาร่อนมาาปราโมชยินดีมีสายอสุนีฟ้าแลบทั่วทิศทั้งหลายมีกรีบเมฆมากมายกว่าหมื่นกว่าพันมีสีสันต่างๆบ้างเขียวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างขาวบ้างเป็นสีหงสบาด และมีสีอ่อนแซมซ้อนสลับกันเอื้ออึงมีกล้องไปด้วยเสียงคลองกลองสวรรค์บังเกิดเป็นมหันนิมิตรอนเนกจะนับไม่ได้จะเข้าใจซึ่งจะตุทีประกะมหาเมฆนั้นแต่ท่านผู้ได้ฌานเมื่อจะตุทีประกามหาเมฆบรรดาตกลงมาฝ่ายว่ามนุษย์นิกรทั้งหลายทั่วโลกาเห็นฝนตกลงมาที่ตรอกตรอกซอกทานละหารห้วยหนองคลองบึงบางบ่อและสระเตรียมไปด้วยน้า และแผ่นดินชุ่มคร่ำไปต้นหญ้าใหญ่น้อยเขียวชอุ่มเป็นคราบอยู่มูมหาชนก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าฝนนี้เป็นฝนหาใหญ่ยะถามีครุวนาฉันใดอันวัตธรรมมเมฆของสมเด็จพระบรมไต ร, รโลกกนาสาสดาจารเจ้านั้นเมื่อจะให้ตกหลงก็เหมือนกันพระองค์เจ้ายังโลกสวรรค์และมนุษย์นั้นให้อิ่มกเกษมสาร ด้วยหาฝนคืออมริตธรรมเพื่อย่างน้ำจิตแห่งท่านผู้สถิตในที่จะได้มักขวิถีแต่ท่านเป็นภะละสมังคีให้ชื่นชมโสมนัสก็สำแดงซึ่งวิรัชตธรรมอันประเสริฐกาจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะมาณทิฐิพระองค์กาจัดเสียซึ่งเครื่องระดาก่าวคือความยินดีในการมคุณห้าประการให้พินาคขาดจากสันดานบรรลุถึงพระนิพพาน ด้วยธรรมะเมฆอันประเสริฐและท่านผู้ปฏิบัติดีบรรดาที่ได้ชื่นชมไปด้วยธรรมะเมฆนั้นบางหมู่ได้ตั้งอยู่ในพระไตราสาราณาคมและศีลห้าประการศีลแปดประการศีลสิบประการและบวชเป็นภิกษุภาพทรงพระปฏิโมกข์สังวรศีลบางหมู่ได้พระโสดาบางหมู่ได้พระสกิทาคาบางหมู่ได้พระอนาคา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 พระคันธารเจนาจารย์ประพันธ์คาถาพรรณนาความซ้ําที่พระนาคเสณ์วิสัชนาแล้วข้างต้นเป็นใจความว่ามหาเมฆตกลงมากระทําให้ประชาชนเย็นรื่นบรรเทาร้อนแล้วอนุมานได้ว่ามหาเมฆตกฉันใดมหาเมฆของพระบรมสุคตเจ้าก็กระทําให้เหล่านิกรสัตว์ร่าเริงบันเทิงใจ อนุมานได้ว่าพระบรมศาสดาให้มหาเมฆคือพระธรรมตกลงมาฉันนั้นราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินได้ทรงสวราการฟังดังนี้ก็ทรงโสมนัสสาการยินดีชื่นชมว่าสาธุพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาปัญหานี้เปรียบด้วยธรรมเมฆของพระพุทธเจ้า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 พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาอุปมาต่อไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารข้ชราชายังมีพระยาคชสารตัวหนึ่งปะวะโรประเสริฐยิ่งกว่าช้างทั้งหลายสตุปเพทโทมีกายสูงได้เจ็ดศอกนวยายโมยาวได้เก้าศอกทศะะปรินาโโหมีเครื่องประดับผูกสอดสิบประการ ธรณิคณโกเป็นเจ้าแห่งฝูงช้างทั้งหลายอันมีในธรณีเสตักโโมีตาขาวเสตะวาโลมีหางก็ขาวเสตัณขะสีคโรมีปลายเล็บนั้นก็ขาวช้างนั้นขาวดุดสีหมอกและสเสวตฉัตรและวิมานอันขาวมีกายนั้นเต็มดุดบ่ออันไม่ได้พร่องมีอายตนะบริบูรณ์ภัยสาร ดูนิงามดุดจอมคิรีอันมีไม้หนุ่มๆสูงสร่างสล่างต่างๆชนิดและพระยาช้างนั้นอาจจะ ก, กำจัดเสียซึ่งปัจจามิตรฆ่าศึกทั้งปวงได้มาตังโคมีสรีระกายนั้นใหญ่โตอีสาทันโตมีงางอน ง, ง, งามด้วยเสยริวิราชดังงอนไถมีกำลังอาจจะ ก, กำจัดเสียซึ่งปัจจามิตรมีฤทธิ์ห้าวหาน เขี่ยวชาญในการทนเที่ยวในทิศ ต, ต่างๆพระยาช้างยังหนุม่มมีกำลังมากมายยิ่งนักหนาสกะมาลายังชหิตว่าละเสียซึ่งที่อยู่ของอัตมาโคจรายะอนุคัตฉันโตเที่ยวไปเพื่อจะสแสวงหาอาหารในไพรสนประเทศกินหญ้าใบไม้และจับถอนขึ้นมาทั้งรากทกด้วยบาถาโน้มนาวด้วยงวง ยังไม้ทั้งปวงให้วินาศไปในที่ทั้งสองข้างมคขาสัญจรเที่ยวมาตามลำเนาห้วยทานละหารเขาลาเนาปา่ามีรอยบาทาปรากฏที่ธรณีอันอ่อนมนุษย์นิกรสัญจรเที่ยวไปทิศวานะครั้นได้เห็นรอยพระยาคดชษานตัวประเสริฐวิจิตไปด้วยบุ ญ, ญลักษณะอันต้องด้วยแบบอย่างเมื่อมนุษย์เห็นรอยบาทาแห่งพระยาขเชนทรชาชาฉััดทันแล้ว ก็สำคัญเข้าใจด้วยอนุมานปัญญาว่าอัมโูดูกะระชาวเราเอ๋ยพระยาชางใหญ่มีที่ในป่านี้เป็นมั่นคงจึงมีรอยบาทาปรากฏอยู่เป็นพยานความประการนี้ยะถาไม่อุปมาฉันใดโสภควาอันว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกกนานตาฐานาโค ประเสริฐเหมือนช้างนั้นโดยวิเศษด้วยเหตุว่าร้อยพระพุทธบาทมีลักษณะวิราชร้อยแปประการทรงประดิษฐ์สถานไว้เป็นสําคัญเหมือนกุญชรฉัตรทันฉะนั้นตถาสีโหถ้าเปรียบด้วยพระยาไกสอรราชสีก็เหมือนกันตถานิสพโภถ้าจะเปรียบด้วยสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ก็ประเสริฐเหมือนกันตถาทันโต ถ้าจะว่าด้วยบุคคลที่ทรมาน C, อ, อนนินทรีย์พระองค์ก็เหมือนดังนั้นถ้าจะว่าด้วยบุคคลระงับบาปพระองค์ก็เหมือนดังนั้นและบุคคลอันประกอบด้วยอธิษฐานมีเพียรอุตสาหะมีปัญญารุ่งเรืองมีพระญาณมีวสีชำนานดีมีฤทธิ์รุ่งเรืองมียศมีเดชมีวิมุตพ้นจากภัยเป็นสงเป็นมู เป็นมรสีเป็นนักปราชับเป็นครูเป็นพระยาเป็นเทวดาเป็นอินเป็นเท้าสักกะเป็นพรมและจ้าว่าประกอบด้วยสัพพธรรมและสัพพคุณเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ซ่อนมเมร้นและประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและกรุณาอนเนนชะสมาบัติและให้สาเร็จปรารถนาและฉลาดเหล่านี้สมเด็จพระบรมโลกกนาตก็เหมือนดังนั้น พระวาอันว่าสมเด็จพระพัคขวันตะบอพิษเมื่อพระองค์เป็นบรมกษัตริย์คปิละวัฒถุงฉัตยิตะวาพระองค์มาละเสียแล้วซึ่งกรุงแก้วกระ บ, บิลพัทปุระวรังเป็นเมืองกษัตริย์อันเลิศด้วยวงมหาสมุิละเสียซึ่งพระราชบุตรอันพึงจะประสูตรในวันนั้นกับสมบัติอันประกอบด้วยสัต ร, รุตนะเจ็ดประการและทั้งสเสวตฉัต พระองค์ก็ตัดอะไรไม่ยินดีสเสด็จหนีออกสู่มหาพิเนศสกรมอยู่ในไพรสนอันสงัดสแสวงหาซึ่งวิชยาณอันประเสริฐเมื่อพระองค์จะกำจัดเสียซึ่งละอองทุลีกล่าวคือกิเลสราคะพระองค์จะพรากเสียซึ่งโมหะและมานะอุทจจะคือมัวเมาและกระด้างและสงสัยจะถอนเสียซึ่งเถราดาคือทิฏฐิอันมรายกาศ ทำลายเสียซึ่งเครือวันคือความยินดีจะตัดเสียซึ่งโลภะโทสะทั้งหลายจะห้ามเสียซึ่งความเวียนว่าอยู่ในกระแสตัณหาและตัดเสียซึ่งวิตกจะห้ามเสียซึ่งทิฏฐิลามกเป็นมิจฉาและปิดเสียซึ่งมรคาอันผิดอันเปิดออกซึ่งมรคาหนทางแห่งอมตะมหานครนิพพานเปร่องสัตว์ให้พ้นจากสงสาร สมเด็จพระบรมโล ก, กนาศศาสดาจารย์จึงสเสด็จขมานาการโดยมรคหาหนทางคือพระอัสดางคิกรรม ก, ก็ลุถึงซึ่งธรรมนครสำเร็จแก่พระสันเพชรดาญานพระองค์จึงทรงประดิษฐานไว้ซึ่งโพธชงวรบาทเจ็ดประการอันว่าโพชชงวรบาทของสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้านั้นมีอายตนะอันกว้างขวาง ประกอบด้วยลักษณะอันวิจิตโสภาทัศนิยานิควรจะเล็งแลดูเปมานิยานิควรจะยินดีเวทะนิยานิควรจะเสวยอารมณ์โสมนัสนันทนิยานิควรจะปรีดาโสถิกรณิยานิควรจะกระทำซึ่งความเกษมอภยะกรณียานิควรจะกระทำให้หาภัยไม่ได้ อัศสะกรณียานี้ควรจะนำมาซึ่งความหายใจออกสบายอปริตาสะกรณียานี้ควรจะกระทํามิให้สะดุ้งตกใจปีติกรณียานี้ควรจะกระทําให้ปีติปาโมชกกรณียานี้ควรจะกระทําให้ปรีดาปาโมชเอกะขะกรณียานิควรจะกระทําให้มีอารมณ์แน่วแน่ภาวนิยานี้ ควรจะจริญสุภาวนียานิควรจะจำเริญด้วยดีสุขะทธานิจะให้สุขสีตะทธานิจะให้เย็นยะสะทธานิจะให้ยศพะละทธานิจะให้กำลังวันนะทัานิจะให้มีสีสันพันงามโพคะทัานิจะให้มีโพคสมบัติกามะทธานิ จะให้สำเร็จความใคร่ปัตติตะทัานิจะให้สำเร็จความปรารถนาที่ตั้งไว้สัพพะทานิจะให้สมบัติทั้งปวงพุทธะปัฏานิอันว่าพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธสัพพัญยูผู้ประเสริฐนั้นจะครอบงำเสียซึ่งลัทธิแห่งเดียรถีสัตตุปัฏานิซึ่งรอยแห่งศาสดาครูสอนทั้งหลายศีหะปัฏานิ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 ซึ่งรอยเท้าพระอินทร์ทั้งหลายเวทะปัะธานิซึ่งรอยเท้าของผู้มีเวททั้งหลายสักกะปัะธานิซึ่งรอยเท้าแห่งเท้าสักกะทั้งหลายบุลินทัทปัะธานิซึ่งรอยเท้าแห่งเท้าบุลินทัทะทั้งหลายพรหมปัะธานิซึ่งรอยเท้าแห่งพรหมทั้งหลายสันตะปัะธานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ระงับแล้วทั้งหลายคณะปัฏานิ ซึ่งรอยเท้าแห่งหมู่ทั้งหลายอิสิปธานิซึ่งรอยเท้าแห่งฤาษีทั้งหลายมูนิปธานิซึ่งรอยเท้าแห่งมูนีทั้งหลายชินะปทานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ชนะทั้งหลายวระปทานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ประเสริฐทั้งหลายอุตมะปทานิซึ่งรอยเท้าทั้งหลายอันอุดมอักคะปทานิซึ่งรอยเท้าทั้งหลายอันเลิศ และรอยเท้าพระบวรบาทแห่งสมเด็จพระสัพพันยูนี้เชิดทะปัตทานิเป็นรอยเท้าอันประเสริฐโดยวิเศษกว่ารอยเท้าทั้งหลายวิมุตติปัทานิเป็นรอยเท้าจะถึงซึ่งวิมุตติอรหันต์ปัตทานิเป็นรอยเท้าจะบรรลุพระอรหันตอันทรงไว้ซึ่งอรหานตที่คุณพุทธปัทานิอันว่ารอยพระบาท แห่งสมเด็จพระบรมโล ก, กรนาดศาสดาจารย์เจ้าของเราทั้งหลายนี้สัพพะพุทธปฐนานี้ย่อมแสดงรอยพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนมหาราชาดูกระบพิษผู้ประเสริฐอัตมาเห็นแจ้งประจักษ์ใจชนี้ก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าอุลาโรโศภควาสมเด็จพระภควันตะโบพิษผู้โอฬานยิ่งนั้น ได้ตรัสรู้จริงๆในโลกนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงสวนาการดังนี้จึงตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายาณิปทานิอันว่ารอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายใดมีรอยกุญชอนชาติเป็นต้นนั้นณจิรังติดถันติมิได้สถิตอยู่นาน ถึงมากว่าจะสถิตอยู่นานประมาณห้าเดือนหกเดือนเท่านั้นตะโตปรังเคลื่อนจากนั้นแล้ววินัทสันติก็สูญหายไปพระกวาโตประทานี้อันว่ารอยพระบาทของพระพุทธองค์คือพระโพธชงทั้งหลายเจ็ดนี้โลกยังไม่ได้ชิบหายด้วยเพลิงประรายโลกตราบใดพระโพธชงบาทนี้จะสถิตไปได้ตราบนั้น เป็นอัศจรรย์นักหนานิมนต์ผู้เป็นเจ้าสำแดงซึ่งพุทธพลานุภาพให้พินโยยิ่งกว่านี้อี ก, ก่อนเรื่องปริระยาศีหราชกับพระพุทธองค์พระนาคเกษณถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชะดูกระบพิษพระราชสมภารสีโหอันวพระยาศีหราชวิคตะพะยาเพระโว ไม่ได้กลัวภัยอันพิลึกอัดชับผีไม่ได้สะดุ้งอันนับผีโตไม่ได้หวาดเสียววิคตะโลมหังโศมีขนพองอันปราศจากไปประปานะโลหิตะมิคะพักโขมีโลหิตแห่งสัตว์อื่นและเนื้อบริโภคเป็นพักษาอุปะวิปุละนิพัตะคัตโตมีกายอันเกิดภัยบู์บอวรยิ่ง มีสร้อยเกสรเป็นแถวตามคอมีขนลายพร้อยเป็นวงเวียนทักษินาวัตเกิดมาเป็นอับพิชาติสัตว์ทั้งหลายมิอาจจะประทุสร้ายได้และเป็นมรึขาธิปดีหมู่มรุขีทั้งหลายใหญ่และน้อยเห็นซึ่งรอยเท้าแห่งราชสีก็มิอาจจะประราชนาการหนีไปได้ก็สลบซบเซาอยู่กับที่ราชสีนั้นประกอบด้วยกาลัง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 เมื่อจะเบียดเบียนค่าเสียซึ่งสัตว์อื่นหรือจะยังพื้นธรณีโดนและพวกแห่งตนให้ร่าเริงยินดีสีหานาทางพินทติราชสีนั้นก็บรือออกซึ่งสัทธะสำเนียงคือสีหานาตรื่นเริงบันเทิงใจขณะเมื่อราชสีบรือสีหานาตออกไปนั้นสัตว์ทั้งหลายอันอยู่ในป่าในคูหาถ้ำทั้งหลายนั้นก็สะดุ้งตกใจวันวาด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 วิคตาพยาเพรโวมีภัยอันพิลึกปราศจากพระพุทธหาหรือไทยอชฉำพิตัรพีตะโลมหังโสมิได้บังเกิดตกพระไทยกลัวและโลมาไม่ได้ชันวันไหวประกอบไปด้วยพระบารมีคุณอันดุลลามเลิศหาสิ่งจะช่างให้เท่าพระคุณบารมีของพระองค์เจ้าไม่ได้พระองค์สั่งสอนสัตว์ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสารณาคมเป็นอาทิ และพระองค์ถึงแก่พระวิมุติเสเวิตชัดครองสัพพัญยุตราชสมบัติในโลกุตราราชัยสวรรค์มีพระกายอันประกอบด้วยลักษณะอันวิจิตคือสถิตยอยู่ในสุญตาวิโมกและพระนิโรธธรรมมีปกติสันโดษเรนซ่อนอยู่ในป่าอันชัดคือพระองค์สถิตในป่าอันสงัดเงียบอัตตโนพุทาสยาอภินิคมิตตวา เสด็จออกจากพระพุทธาสัยประกอบไปด้วยพระยานอันองค์อาจบรรลือซึ่งสัทธาสำนีงเสียงพระพุทธสีหานาศกล่าวคือประธานธรรมเทศนาโปรโดมนุษย์นิกรเทวดาจำพวกใดพระปักกะมานาสมีใจประกอบด้วยปัญญาบารมีแก่กล้าวิสุทธจิตตามีจิตผ่องใสบริสุทธิพุทธชิดสันติ ก็สมเร็จรู้ซึ่งไยยธรรมของสมเด็จพระพุทธสัพพัญยูผู้ประเสริฐเยปณะมนุษษามนุษย์ผู้ใดเกิดมากุทิฏฐิมนุขตาถือมิจฉาทิธฐิ62สสองคือสัจสตทิฐิและอุเฉทะทิฐิเป็นต้นอันร้ายกาศครั้นได้ฟังพระพุทธสีหานาถก็ละเสียได้ซึ่งทิฐิอันร้ายนั้น ส่วนพวกที่ถือมิจฉาทิฏฐิอันมั่นคงแรงกล้าตั้งอัตมาเป็นครูเจ้าหมู่ทั้งหกคนคือปุราณักสปะและมัคคลิโคสาละอาชิตะเกสกรัรมพะละปกุทธะกะจายนะสัญชยะเวลัทธบุตรนิคันธะนาตบุตรอันตั้งตัวว่าเป็นศาสดาและคนทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอื่นนั้น ครั้นได้ฟังพระพุทธสีหานาถบรลือออกซึ่งพระสัทธรรมเทศนามิอาจสามารถที่จะตอบโต้พระพุทธภาสิได้ก็หลบเรนซุ่มซ่อนอยู่ส่วนสาวกของสมเด็จพระบรมครูเจ้านั้นครั้นฟังเสียงบรลือพุทธสีหานาถก็บังเกิดประสาทะเลื่อมใสเหตุได้ซึ่งดอกไม้อันหอมคือพระวิมุตติธรรมอันลัมเลิศมหาราชะ ดูกะระบพิทธพระราชสมภารอัตมาได้เรียนรู้พระพุทธสีหานาฏอันประเสริฐที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงพระอธิษฐานไว้ก็สำคัญเข้าใจด้วยอนุมานปัญญาว่าสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้านั้นอนันตะปารมิคโตเป็นผู้ถึงซึ่งพระบารมีคุณจะนับไม่ได้ขอถวายพระพรในที่นี้ พระคันธารัตนาจารย์ประพัน์คาถาแสดงข้อความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนาแล้วนั้นไว้เป็นใจความว่ามูมรึกขชาตและสกุณปักษีทั้งหลายได้ยินเสียงพระยาราชสีอันเปล่งสุระสีหานาทแล้วย่อมพากันหวาดหวั่นครั่นคร้มสยดสยองซึ่งเป็นเหตุให้มหาชนอนุมานรู้ได้ว่านาธราชสี พระยาราชสีได้เปล่งสุระสีหานาถฉั้นใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ทรงเปล่งพระพุทธสีหานาถให้เหล่าเดรัจฉีผู้เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหลายขยันครัรนครามเป็นเหตุให้อนุมาณรู้ได้ว่าสมเด็จพระธรรมราชาได้ประกาศพระธรรมเทศนาไว้มีอุปมาฉันนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลิน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 มีอุปมาฉันใดอันว่ามาหาเมฆอันใหญ่บรรดาที่ตกลงมาท่วมบ่อสะในหิมะว่าเป็นน้ำป่า พ, พัดขอนไม้ใหญ่น้อยและรากใบเป็นสวะลอยไปสัจจตุบาตน้อยใหญ่คือมแมลงป่องตะขาบงูพังพรสุนักกระต่ายและเสือป่าเป็นต้นก็พากันหนีขึ้นไปอาศัยอยู่บนดอนที่มีกำลังอ่อนหนีไม่พ้น น้ำฝนก็ท่วมตายไหลพัดพาไปสู่มหาสมุทรใช่แต่เท่านั้นอุทกะขันยังพัดพาเอาสิ่งโสโครกบรรดามีให้ไหลไปสิน้นชํมระปัตภีให้สะอาดหมดลาโมกและน้ําก็ไหลไปสู่มหาสมุทรจนแห้งหมดไม่เหลือเลยอัปรเรณนะสมยเยนะครั้นต่อมาณนะสมัยเป็นอประภาคมหาชนทั้งหลายเหล่าอื่นสัญจรมา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 ยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐอันว่าธรรมะนาทีอันเลิศของสมเด็จพระสัพพันอยู่ก็เหมือนกันอนุปุเพนะสันธมานาเมื่อไหลมาโดยลำดับกันขณะนั้นก็ไหลสู่สาครปากอ่าวอันกล่าวคือพระนิพพานอสังขตัง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 ให้อิ่มไปด้วยธรรมเมกเป็นอันมากให้กาจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะมานะและมักขะคือความกระด้างและหลูคุณท่านผู้อื่นว่าตนดีกว่าและพระองค์เจ้าก็กาจัดเสียซึ่งเถราดาวันคือความยินดีอันกล้าและสกายะอุทจฉวิจิกิจชาและตัณหาอันรกชัดใช่น้อย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 ลบหลู่คุณท่านและจะนำเสียซึ่งโทษสาธารณะทั่วไปเปรื่องเสียให้พ้นจากอากุศลโปรดให้พ้นถึงพระอระหันต์ยังสัตว์ให้หลายไปสู่พระนิพพานสาคอนมหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอันว่าธรรมสาคอนอันเลิศของสมเด็จพระพุทธสัพพัญยุบรมครูเจ้านี้กว้างใหญ่ ไม่ฟังหาที่สุดไม่ได้มีลูกระรอกจะนับนั้นไม่ได้คือพระสัทธรรมจะพร่องหรือเต็มก็ไม่ได้ปรากฏอัตมาเข้าใจด้วยปัญญาดังนี้จึงรู้ว่าอั ป, ปมโยโสภควาสมเด็จพระภควันตะบพิษทรงพระคุณจะนับจะประมาณไม่ได้ขอถวายพระพรในที่นี้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 ยะถามีครุวนาฉันใดบัณฑิตเห็นสัตว์ลอยอยู่ในกระแสธรรมก็เข้าใจสำคัญว่าพระธรรมขันธ์นี้ใหญ่ดุดห่วงแห่งอุทกังในสาครก็มีอุปมาฉันนั้นนะพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์มีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคาเสณะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชา ธรรมะนาทีนี้สมเด็จพระมหาหมุนีทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ลอยกิเลสหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษนจึงมีเถระวาจาว่าอามะมหาราชะขอถวายพระพรธรรมะนาทีนี้สมเด็จพระมหาหมุนีทรงบัญญัติไว้ให้ลอยกิเลสสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโอการตรัสว่าเตนะหิต่ากระนั้น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 ศีลอันประเสริฐอุดมนั้นมีพระไตสรสารนคมเป็นที่ตั้งคือศีลห้าศีลแปดและพระปาติโมกปริยาปันสีลและอุเทษะปริยาปนศีลและจาริตะวาริตสีนกลิ่นศีล น, นี้หอมไปในมนุษยโลกและเทวโลกกลิ่นศีล น, นี้ดุจ ด, ดอกไม้มีกลิ่นอันหอมเหตุดังนี้ อาตมาจึงรู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าอัธิโสภคะวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งมีอยู่ในโลกนี้ขอถวายพระพรในที่นี้พระคันธารจนาจาร์ก็ประพันธ์คาถากล่าวความซ้ำกับที่พระนาคเสสนถวายวิสัชนาอุปมาข้างต้นนั้น มีใจความเปรียบกลิ่นศีลกับกลิ่นดอกไม้ที่หอมระรื่นตามลมมาอันเป็นเหตุให้รู้เพราะได้สูบดมจึงทราบได้ว่ามีอยู่ดุลนัยยะที่กล่าวแล้วในหนหลังมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าจะประมาณซึ่งกำลังแห่งพระพุทธคุณโดยเหตุโดยปัจจัยและโดยในนับเป็นพันๆนั้น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 ปัญหานี้จะได้เป็นที่ทำลายเสียซึ่งคําเดรถถัจฉทั้งปวงสืบต่อไปนี้อนุมาณปัญหาเป็นคํารบแปดจบเพียงนี้